เราก็ม า, าทำกันเป็นศตวรรษที่27แห่งการตัดสั่ของสมเด็จมาถาสมุทธเจ้าผ่านมาแล้วเป็นอดีตแต่ ว, วันนี้มันเป็นวันของเรา เราเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราเห็นกายเห็นใจของเราธรรมชาติของกายของใจมันเป็นอย่างไรมันก็แสดงออกอยู่แต่แลนนะขณะร่างกายเป็นธาตุสี่ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ มีรูปมีรถมีกลิ่นมีเสียงมีเพลสะพามีธรรมอารม์มีการสัมผัสมีธรรมชาติของอารมณ์ต่างๆแสดงออกมามีความรู้สึกตัวมีสติมีสมาธิมีปัญญามีเครื่องมือมีอุปกรณ์มันมีตำราเล่มใหญ่ เราก็เห็นแล้วเห็นอีกนะได้อ่านได้ทอลหันมันเป็นสภาพธรรมความรู้สึกตัวนะมันมีทั่วตั้งแต่หัวจรดเท้าแนะม้รั่งจิตใจเวลาคิดนึกปรุงแต่งนะมันก็เป็นความรู้สึกตัวเราก็จึงฝึกหัดการเจริญสตินะ ให้สติมันมีความว่องไวจเจริญสติหมายถึงว่าการระ ล, ลึกรู้นะการระ ล, ลึกรู้สัมผัสตรงๆลงไปที่นะการเกินการไหวที่เรามีเจตนาตัวเจตนานะมันก็คือกรรมนั่นแหละกรรมาฐานจะทํากรรมดีก็ต้องเจตนาจะทํากรรมชั่วก็ต้องเจตนาเจตนาเป็นกรรม เร ม, มาฝึกหัดกรรมฐานการเจริญสติก็ต้องมีกรรมมีรูปแบบปริกมือนั่งสร้างจังหวะการเดินจงกรมเจตนากระทําจิตใจที่เคยมีวิธีคิดมีการคิดโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็หยุดลงทุกครั้งที่รู้เท่ารู้ทัน กลับมารู้สึกตัวที่ฐานกายรู้เนื้อรู้ตัวมันก็หยุดความทุกข์ที่เกิดจากความคิดมันก็เบาๆบางๆลงไปเกยปรุงแต่งรวมด้วยช่วยกันความคิดเกิดขึ้นมาความหลงไม่รู้ก็ปรุงปลดเข้าไปในความคิดขยายผล กระบวนการงนี้มก็จบลงทุกครั้งีกลับมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวมันก็เกิดความเป็นปกติจิตจิตเนี่ยถ้ามันปกติเราก็จะสัมผัสได้ว่ามันก็สบายเนื้อสบายตัวสบายหัวโ ล, ล่งโปร่งเบากายเบาใจผ่อนคลาย มันจะมีกายละหูตาเกิดขึ้นมาจิตตาละหูตานะเบากายเบาใจนะเกิดขึ้นมาตัวนี้มันจะทําให้รื่นเริงในการปฏิบัติแต่เบื้องต้นต้องมีศรัทธาศรัทธาความเชื่อมีการสั่งเองมีการสอนตัวเองสั่งตัวเองเคลื่อนมือสั่งตรองเดินยงกลมสั่งแล้วเข้ามากลับมา หาความรู้สึกตัวมัออกไปมีการสั่งมีการกระทำเคลื่อนไหวจริงๆกทบสัมผัสจริงๆศรัทธามันเกิดขึ้นมามันก็มีปรามโมดเมื่อรู้สึกตัวจิตมันก็รื่นรื่นความรุ่มเริงในการปฏิบัติแต่ว่าวันแรก2องวันแรกมันก็สลับ เปลี่ยนกันไประหว่างตัวรู้กับตัวหลงสลับกันไปสลับกันมากระโดดไปกระโดดมาครึ่งรู้ครึ่งหลงแต่ประปึกไปบ่อยๆมันมีความจำนานกน็รู้ชัดรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วเลอหลงมากกว่ารู้ไมเห็นการตื่นตื่ น, น, นจิตใจรื่นงเริง อิมอกอิ่มใจเกิดขึ้นมาเบากายเบาใจสงบกายสงบใจเกิดขึ้นม า, ม, ามันจะมีลักษณะของความสุขจากการปฏิบัติให้เราได้สัมผัสเป็นธรรมรสรสของพระธรรมรสของพระธรรมชนะรสชาติของตั้งปวงเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเจือสุขทุกข์ รถจือจอดอรถปกตินตรงนี้มันจะมาให้เราได้ชิมได้สัมผัสพอเริ่มเทียบเคียงได้ระหว่างสุขที่เกิดจากนิรามิตสุขกับอามิตสุขสุขที่มนต้องอิงวัตถุหนึ่งสอสามบุคคลน1่งสสสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจิตใจปกติ การสงบลงขึ้นมามันเทียบเคียงได้มันก็เลือกเป็นสุขอยู่ที่ไหนสมาธิก็อยู่ที่นั่นความสุขแทบซ่นอยู่ตรงไหนความตั้งมั่นของจิตก็อยู่ที่นั่นเราเออเราอ๋อมันอยู่คนเดียวนั่งเดินยืนนอนมันรู้สึกมันอิสระภาพมันมีอิสระภาพอยู่หลายคนมันอยู่คนเดียว ต้องจะนั่งปริบัติเดินโยมกงกันหลายคนร้อยยี่สิบสามสิบอะไรก็ตามก็เหมือนก็อยู่คนเดียวไปไหนมาไหนก็นรู้สึกตัวมีตัวเองอยู่แล้วก็เลือกได้เมื่อก่อนเคยต้องคิดพูดทําวัตถุหนึ่งสองสามแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเงียบๆหนึ่งนะเมื่อสมาธิมันตั้งมั่นรู้สึกตัวดี เริ่มสังเกตมีรายละเอียดต่างๆเกิดอารมณ์เบื่อหนายคายจางขึ้นมาเกิดแล้วเกิดอีกก็เห็นแล้วตากระทบลูกหูกระทบเสียงบางทีก็คิดแปลอดีตคิดแปลอนาคตบางทีก็เกิดจิตสํานึกขึ้นมาทบทวนทีวิตเนอดีตเข็ดหลาบความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาเกิดจิตสํานึกไม่ทําแล้ว ความไม่ดีความชั่วแมวแล้วตบตัวขึ้นหมาดเดลองรอยก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนยังไงเกี่ยวข้องกับสังคมยังไงเกี่ยวข้องกับลูกยังไงเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่อย่างไรเดีย๋ยตัวเองเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไรมันก็เคล็ดลาขึ้นมามองเห็นชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตดี มันจะต้องเอาคุณค่าของชีวิตมีชีวิตให้เกิดประโยชน์มันจะมองเห็นมันต้องมีกําไรชีวิตไม่ใช่ขาดทุนเป็นชีวิตที่หายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขจะทํางานทําการทําอะไรก็รู้หรือเป็นปีกรู้หรือเป็นหนางมันก็จะมีอาการเหล่านี้ปรากฏขึ้นมามันเป็นเรื่องของสติปัญญาพาธรรม ความรู้รู้สึกตัวเนี่ยตัววิชาตัวเนี้ยมันพาไปมันจะรู้เรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องรูปน้ำกันหน้านะจะรู้เรื่องสมมติสมมติมันจะเห็นเป็นวัตถุเห็นเป็นอาการเป็นปรมัติตหมายถึงเห็นแล้วก็รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเห็นสมมุติ เห็นวัตถุอาการปละละมัง้งเนี่วัตถุก็หมายถึงตากระทบรูปเนี่ยเป็นวัตถุเมื่อก่อนคิดปรุงแต่งลงไปพอใจไม่พอใจไม่เห็นความคิดก็คือวัตถุผ่านไปแล้วเก็บมาคิดก็กดได้ใหม่สุขได้ใหม่ทุกได้ใหม่มันเป็นวัตถุแต่มันเป็นแล้วนะของนามรูปนะเป็นนามแต่เป็นรูปอยู่ในสมองในหัวเป็นผ้าปรากฏขึ้นมา ตัดต่ อ, ต อ, ตอบางตอนของชีวิตทิมบัตทับเอาไว้บางทีเราก็ลืมไปแล้วนะว่ามันมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิต ข, ข, ข, ของเราเพราปฏิบัติกรรมฐานนะี่มันลือออกม า, าเพื่อนไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักมานานแล้วนะลืมไปนานแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเหตุการณ์เล็กๆน เ, เราเคยทํากับเขาเขาเคยทํากับเราก็โผล่ขึ้นมามันลื่นมันเป็นวัตถุ นึกถึงแล้วก็เสียใจได้ใหมโกรธได้ใหม่สุขทุกข์ได้ไหม่นล้วนามรูปคือความคิดคือวัตถุนะเราก็จะได้เห็นโออันนี้มันเป็นอาการเป็นวัตถุที่จิตมันทํางานของมันแล้วเธอเป็นบันทินเครื่องเศร้ามองแล้วได้ซักซะชั่วนจิตให้ขาวรอบกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวบางทีก็มี สํานึกเคยทํำไม่ดีเไว้กับพ่อกับแม่มันก็อยากจะทําดีกับพ่อกับแม่ ท, ท, ทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้มีตัวมีตนอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่มีเราก็นั่งอยู่ที่นี่แหละเดินยังโกมอยู่ที่นี่แหละแต่ความคิดก็ไปอดีตตรงนี้แหละมันเป็นแลน้วนะของวัตถุอาการเราก็เห็นความจริงเหมือนกันมองเป็นปรามัตา์ ไม่ได้คิดมองเลยว่ามันเกิดขึ้นของมันมาเองสักแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นแล้วก็สักแต่ว่าลสนะสัมผัสก็สัมผัสคิดนึกปรุงแต่งก็เพียงเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถ้าเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้ทันนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากคิดนิดเดียวไม่คิดว่าเดี๋ยวเด๋ย ว, เ, ยวเป็นไฟลามทุ้งขยายผลไปนะ โงแต่งจนวกวนวกวนวกวนวกว น, กวนพอจบเดี๋ยวก็มาใหม่พอจบเดี๋ยวก็มาใหม่พอจบเดี๋ยวก็มาใหม่เป็นกระบวนรถไฟเลยแบบนี้เราก็เสียสลัภาพอย่างที่เราเคยเป็นกันมา เ, นเมื่อไม่รู้เรื่องของความรู้สึกตัวไม่เคยฝึกหัดไม่เคยมีประสบการณ์ก็จะเผลอหลงเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิด จะาทานอาหารจะทำอะไรก็ตามก็คิดไปไหนไปไหนก็ตามเป็นเงาตามตัวบางทีมันก็น่าลำคาญเหมือนกันภาษาธรรมกเรียกว่าอุทันจะกุกุจจะเรียกว่าความฟุ้งซ่านลาคาญใจแต่เวลาเราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาแล้วมาอีกยิ่งมายิ่งดีความคิดมไม่หลหลความรู้สึกตัวก็มากตอนนั้น ความคิดมากเท่าไหร่สติปัญญาของเจริญมากเท่านั้นจเจริญสตมมิมันรู้ว่าการทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีปัญญาเหมือนกันมันก็เห็นแจ้งสิ่งนี้เป็นลักณะของอนัตตานะยึดถือไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นแค่นามนธรรมเป็นมายาของจิตนะมันก็จะได้เห็นทุกขังนิจจ์อนัตตานะเกิดขึ้นมา เจตนอะไรก่อนก็ไม่แปลกบางทีก็เห็นตัวนิจจันเกิดขึ้นมาก่อนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเบังคับบัญชามันก็ไม่นะ้บางทีก็ได้เห็นลักษณะของความทุกข์น้ำเกิดขึ้นมาแปลการของกายของจิตของกายนก่อนทุกข์ชัดๆเลยลเลนั่งหัวเท้านั่งมันเป็นก้อนทุกข์นั่งก็เมื่อยเดินก็เมื่อยยืนก็เมื่อยเดี๋ยวกาศหนาวเดี๋ยวอาการ้อน มีสภาวะทุกอา ก, การทุกข์ทุกนะทุกในขันที่เป็นรูปขันรสน์ของท่าสี่ประชุมไม่พอดีแสดงออกถึงปฏิกริยาเราก็ต้องปรับสมดุลกันให้เกิดความพอดีมันก็เป็นแต่ลักษณะของธรรมชาติที่แสดงออกมาให้เราได้เรียนได้ฝึกได้หัดบางทีก็มีลักษณะของความคิด หรือว่าสิ่งเบล้อมภายนอกที่เป็นสมมุติแต่เรารู้ไม่ทันก็เข้าไปในสมมุติก็เป็นความทุกข์อีกเช่นมีคำพูดนินทามีสรรเสริญพวกนี้มันแสดงออกมาเราก็เห็นแล้วเห็นอีกโดยเพราะทุกอิริยาบถสี่ทุกในจิตใจของเราที่เราทุกข์สมุไทยใ น, นี่รอดมั้งมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากนามธรรมที่ชื่อว่าความคิด หรือว่าการปรองการแต่งที่ชื่อว่าสังขารเมื่อเรารู้สึกตัวเราได้เห็นกระบวนการธรรมชาติต่างๆทิมปลากฏออกมาเป็นลักษณของการเกิดดับแม้กระทั่งตัวจิตเองตัวสติเองนซึ่งมันเป็นของดีมันก็เกิดดับเหมือนกันที่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาเป็นแต่ละคณะเป็นแต่ละจังหวัด การสร้างจังหวะก็ทำให้เราเห็นรายละเอียดพวกนี้ฝึกจิตให้รู้เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งการรู้มารู้อย่างนี้นะรู้เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้ ง, เ ป, งเป็นครั้งที่เราฝึกกันรู้ตัดตัดํารมารู้ตัดตัดหมายถึงว่ามันรู้แล้วมันก็จบลงดันดีตัวสติวิ่งไปถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับลูกธนูนะเคยเห็นธนูไหมเคยยิงธนูไหม มันพุ่งไปเป็นครั้งนพุ่งไปเป็นครั้งพุ่งไปเป็นครั้งอันนี้เริ่มต้นฝึกหัดแหละเหมือนกับ เ, เ, นะนะนะเราหัดเขียนกอไก่ขอไข่พระญชนะสี่สสี่ตัวเราหัดเขียนสลาวรรณยุกต์เนี่ยเขียนเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวอันนี้การฝึกหัดเบื้องต้นนะตอนหลังเริ่มมีลักษณะของตัวบรรจงนะ แต่ว่ามันแกมวัดไปด้วยวัดแกมันจงต่อไปต่อไปไปเขียนข้องเลยกลายเป็นวัดไปเลยเขียนวัดเป็นตัวชาวเลขบางตัวพันกันแต่เราอ่านออกคนอื่นอ่านไม่ออกหรือบางทีคนอื่นก็แกออกเหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือเวลาฝึกหัดใหม่ๆเราไปเขียนวัดไม่ได้ไปเขียนแบบปื๊ดเลยนะเชื่อมกันไม่ได้ ถ้าเรารู้เป็นครั้งๆรั้ขนาดมนจะเป็นวิปัสสนาแต่จะรู้แบบต่อๆเนื่องเป็นลูกโซ่แล้วน่ะเป็นเส้นเหล็กเส้นมันต่างกันนะถ้าเรารู้แบบเหล็กเส้นมันยืดไปเลยรู้ยาวๆมางทีกำหนดรู้ลมาหายใจดันรู้ตามยาวมันจะเป็นโทนสมาธิตันติเป็นลรื่องของสมถกรรมฐาน ก็ให้สังเกตไม่ได้แม้แต่กลังบอกว่าถูกหรือว่าผิดไม่ใช่นะแต่กำลังบอกเทคนิคของของการทําแบบรัดรสั้นๆรู้เป็นกล้งรู้เป็นกลางรู้เป็นกลางรู้เปานปะรู้เปานปะรู้เป็ะหลวงพุทเทียนท่านบอกถึงว่าให้รู้เป็นลูกโซ่ลูกโซ่มันจะเป็นข้อเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงให้รู้เป็นและจุดไข่ปลานะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด กระทบลูกระทบลูกระทบลูสมัมผัสรู้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหม่ที่เรากำลังมาฝึกมหาหัดกันเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งตรงนี้เราทําให้ชัดเจนก่อนคําว่าชัดเจนก็คือชัดเจนนะไม่ใช่หมายถึงว่าเพ่งแต่ถ้าเพ่งมันก็ดีเลยรู้ว่าเพ่งมันเป็นยังไงเวลาเพ่งมันจดจ่อเกินไปมันจะแนบแน่นจะมีอาการมึนหัวแก๊กเกรงเพ่งจ้องหู แล้วก็ผ่อนคลายออกมาคลายคลายออกมาให้รู้สึกว่ามันสบายสบายมันมีอยู่จุดสบา ย, ยาจุดที่มันเบาเบาเบาเบาๆแล้วเราสามารถเคลื่อนต่อได้ก็สังเกตเอาเป็นเรื่องของบุคคลตัวใครตัวเราแล้วที่จะต้องมีการสังเกตเป็นเวลาเรารู้สึกตัวเนี่ยก็ต้องมีการสังเกตวางกายยังไงวางใจ ย, งยังไงใหม่ๆมัยังยังวางไม่เป็นน มันจะยังแนบแน่นอยู่บางทีมันเพง่งบางทีก็เผลอมันจะไม่พอดีแต่เราฝึกไปฝึกไปฝึกไปเันจะเกิดประสบการณ์ขึ้นมาตรงนั้นมันจะเลือกเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องของการฝึกหัดมันไม่มีถูกไม่มีผิดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นประสบการณ์อารมณ์ทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น ม, มันจะสอนอาการทุกอาการที่เกิดขึ้น ม, มันจะสอน ให้เราได้เข้มแข็งให้เราได้เก่งให้เราได้ฉลาดเราก็จึงใส่ใจแล้วก็ให้การปฏิบัติธรรมมันนำจริงๆอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาเราก็ได้ฝึกหัดปฏิบัติกันจริงๆสถานที่วัดป่าสุกโตเงียบเราตั้งใจกันมากนั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมแล้วก็มีอารมณ์เกิดขึ้นมาอย่างที่เราสรุปกันตอนเย็น เกิดความเมื่อยเกิดความเหนื่อยเกิดความเบื่อมีอาการง่วงเหงาเหานอนมีความคิดเกิดขึ้นมากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่านิวรณธรรมนั้นนะ่ะนิวรณธรรมเป็นอกัสรธรรมเป็นอกัสรเจตสิกเป็นหน้าของความคิดที่มันเกิดขึ้นมายกเว้นเวลามันง่วงตัวง่วงเนี่ยไม่ได้คิด มันเป็นตัวลักษณะของอาการที่แสดงออกที่ร่างกายของเราเป็นลนักษณะของนิวรธรรมยกมือก็ไม่ขึ้นนะเวลาจะง่วงมันมาทิศทางไหนให้สังเกตดูบางทีก็มาทางกระหม่อมที่มาทางด้านหลังที่ก็กดตากดคิว้วบางทีก็หนักไปหมดนะคลุมทั้งเนื้อทั้งตัวจนหมดเรียวหมดแรงรเปลี้ยเปี้ยเราสังเกตขณะนี้ก็ตามนะขณะนี้ก็ให้สังเกต ก็ต้องปลุกตัวเองออกมาปลุกให้ตื่นด้วยการเขย่าแรงๆเคลื่อนมือแรงๆหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้หาเทคนิคในตัวซะก่อนแต่จะเป็นโอสมเดจสมเมาเจ้าได้พูดเอาไว้ว่าโมกลาเธอง่วงมากหรือโมกลาบอกว่าพระเจ้าค่ะถ้าเธอง่วงนะให้เธอได้คิดถึงกุญงามความดี ในโลกนี้มีคุณงามความดีผู้อื่นก็มีคุณงามความดีตัวเราก็มีคุณงามความดีพอนึกถึงความดีมันจะหายง่วงเคยทําดีมาอย่างไรปีติมจะเกิดขึ้นมาเวลานึกถึงอิ่มอกอิ่มใจมก็หายง่วงโทนกุศลเกิดขึ้นมาอากุศลก็หายไปต่อมาถ้านึกถึงคุณงามความดีไม่หายก็สารยายมนนโมตัสสาอาหลังสัมมาสารยายมน ก็คือถ้าจิตมันคิดนึกปรุงแต่งก็จะไม่ง่วงนะแต่ปรุงแต่งฝ่ายที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาศวดมนั่นนะแต่ถ้าจะสงเคราะห์ก็เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายบุญฝ่ายความฉลาดจึงจะตื่นตัวขึ้นมาหรือว่าแจกแจงหัวข้อธรรมเวลามีสวดมนั่แต่ละบทแต่ละบทมันมีบาลีกับไทยเนี่ยดยเาที่นี่สวดมนบาลีด้วยนะแต่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาไทย แล้วก็รู้ความหมายก็แจกแจงดูนะโมตัสสะพระก็โตหลัตัวสัมมาสัมพุทธะขอนอบนอมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าขอน้อมเข้ามาใส่ตัวสารพัดเตรียมเป็นคำแปลดีๆแล้วน้อมเข้ามาแล้วก็อืมความหมายเป็นอย่างนี้เนาะมันก็หายง่วงไปเลยถ้าไม่หายให ลืมตาแล้วก็มองไปไกลๆมองช่องว่างมองท้องฟ้ามองก้อนเมฆเนีมองใบไม้ที่โยกไปโยกมาลมพัดมีการเคลื่อนการไหวมองเอาความง่วงแยกกันให้จิตออกไปก่อนความง่วงอยู่กับนเนื้อกับตัวเอาจิตออกไปอยู่กับท้องฟ้าอยู่กับก้อนเมฆอยู่กับช่องว่าง มองไปช่องว่างจิ้มก็ว่างด้วยมองไปที่โล่งจิ้มก็โล่งด้วยมันก็จะหลุดออกจากนิวรธรรมทาไม่หายทําแล้วไม่หายมองไปไกลๆมองท้องฟ้ามองยอดไม้มองช่องว่างทาไม่หายไกลเธอเอามือรูปหน้ารูปตารูปเนื้อ ร, รูปตัวเนีย่ยเวลาง่วงมากๆมือกดจุดต่างๆเนี่ยหรือเอามือกำแล้วก็ เคาะตัวๆนวดแปะบนศีสาของเราเนี่ยถ้าทำแล้วไม่หายนให้เอาดอกแยะเอามาปั่นที่หูนพอปั่นหูมันเสียวๆจะ ก, กระเดียมใช่ไหมมันก็เทียบเคียงกันระหว่างตัวกระเดียมที่หูตัวเสียวๆกับตัวง่วงตัวง่วงจะไม่มีน้ําหนักตัวนี้จะรุนแรงกว่านชัดเจนกว่านะ มันเป็นกุจโลบายแก้งง่วงนะอ่ะต่อมาถ้าไม่หายให้เธอลุกขึ้นเดินจงกรมนั่งแล้วมันงอกง่วงคือท่านั่งเนี่ยนั่งหลับนะเรานั่งได้อยู่แล้วแล้วท่านั่งก็ใกล้ท่านอนด้วยเพราะนั้นท่าง่วงก็คือเวลาเรานั่งเวลาเรานอนนะ่มันเป็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทีนี้ลองเดินดูเพราะาเราเดินง่วงเนน้อยมากในชีวิตของเรา เดินหลับนี่ยิ่งไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเธอไม่หายนะในท่านางก็ลุกขึ้นเลยถ้าเดินแล้วยังง่วงทําไงล่ะทีนี้เนี่ยก็เดินก็ยังง่วงอ่ะนะก็เดินให้ไหวขึ้นหนิเดินให้ไหวขึ้นเดินก็เทีบเท้าแรงๆก็เทีบเท้าแรงๆให้มันสั่นเธอไม่ทั้งตัวเลยนะปลุกเมื่อกายมันตื่นจิตมันก็ตื่นอ่ะนะ อ่ะถ้าเดินแล้วยังไม่หายไปล้างหน้าล้างตาซะอาบน้ำํำอาบท่าแช่ผ้าไว้ไปซักก็ได้น้ำเย็นๆงี้ลำลองมันตื่นแน่นอนนะก็จะโรบายแกลงวง่องถ้าอาบน้ำํำอาบท่าแล้วยังไม่หายนโมคลานอนซะนอนซะมันอะไรมันก็ไม่หายแล้วก็ น, นอนเถอะนะหมดหมดสภาพจริงๆนะมันก็มีอยู่นะโรบายแกล้งวง่อง มันก็มีมากมายแล้วกั็เราก็ปลุกตัวเองเอาเถอะนะมันก็ไม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรอกนะกลุ่มพวกนี้มันกลุ่มของตัวกิเลสทั้งหมดนะต่อมาก็คือลักษณะของความสงสัยมันเป็นตัวนิวรธาอีกตัวหนึ่งที่ขวางกั้นเวลาเราสงสัยว่าทําอะไรไม่ชัดเจนมันจะไม่มีความแม่นยําและมีความอาจหารก้ า, าหารออกไหไม่เด็ดขาดจริงๆแล้วเนะย ไอ้ตัวง่วงกลัวจิตใจที่เข้มแข็งแล้เด็ดขาดเท่านั้นเองถ้าใจิตใจเข้มแข็งเด็ดขาดนหรือตัวแลักษณะของความรังเลสงสัยเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวให้ตรงนะติดเปรียบเทียบเหมือนลูกธนูนะรู้สึกให้มตรงๆพุ่งไปกำหนดการกระทบสัมผัสรู้สึกมันก็จะเตือนตัวทันทีนั่นแหละแล้วเราก็ไปใช้เวลาเราตากระทบลูกหูฟังเสียงจะตรงไะ ก็เรียกว่าตรงต่อสัจจะความจริงนะตรงต่อสัจธรรมมันจะรู้แบบตรงๆรู้แบบซื่อๆตรงตร ง, ตร ง, ตรงแต่มันเฉยแล้วก็รู้มันเป็นปกติจิตที่ปกติเ ร, เรียกว่าบ้านมันมาตรฐานของจิตต้องปกติเราได้เห็นสภาวะของที่เป็นปรากฏการ์ที่เป็นภายนอกด้วยแล้วก็เห็นอาการที่เป็นภายในของจิตยมันซ้อนๆกันการทํางานของความรู้สึกตัวของสติของปัญญานะ มันมีความว่องไวมางจนเหมือนกับเห็นสองด้านเป็นเวลาเดียวกันแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเห็นทีละขณะแต่ไวมากอยู่ในแดนของปกติธรรมในแดนของสติในแดนของปัญญาเรียกว่าโลกุตรธรรมเมื่อก่อนเราพุ่งออกไปเป็นโลกิยธรรมก็นินทานหน่อยก็ทุกแล้วก็สารเสวนหน่อยก็ฟูแล้วจริงไม่จริงเราก็ไม่ไปสนใจเลยพยายามเปลี่ยนเขาให้เข้าใจเหมือนเราเี้ย จริงๆไม่ต้องเะาแย่กันไปเลยนกับปรากฏการณ์เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นะกลางวันกลางคืนฤดูการหนาวร้อนแล้วมาแย่กันไปเลยทุกกายใจไม่ต้องทุกข์เรื่องทุกข์พวกความคิดเนีัยแย่กันไปเลยมันไม่ใช่ปกติของจิตมันเป็นกลละตัวกันพอเราไม่สนใจให้ค่าไม่เข้าไปมันก็ผ่านมาก็ผ่านไปมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปสุขไปทุกข์กับมันมันมีอยู่จริงๆต่อมาก็คือตัว อ่าอุทันจกันจกกจะคิดแบบไกลเกลี่ยคิดแบบฟุ้งซ่านลำคาญใจเราตัวกลารมตัวพยาบาทบางทีเนี่ยเรายกมืออยู่ดีๆนะภาพของลูกหนี้ก็โผล่มาคนที่ยืมเงินเราไปแล้วก็ไม่ใช้คืนอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเคยโดนคนที่เขามีกําลังมากฝ่าทํากับเราที่กําลังมากฝ่าเช่นกําลังกายแล้ ว, ว่ากําลังของรัย์ กำลังของความรู้พวกนี้ก็ทํากับเราเราก็เก็บกดเอาไว้แล้วท้ายสมกับโผล่ขึ้นมาขณะปฏิบัติก็จะมีหรืออย่างอาตมาเนี่ยนะเคยมีประสบการณ์ว่าเคยตีลูกเอาไว้เคยตีลูกเอาไว้แล้วก็มันเหมือนกับว่าไอความรู้สึกที่ตีลูกไว้มันโผล่ขึ้นมาทําให้เราเสียใจแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าทําเลยอะไรเงี้ยนะ เด็กเล็กๆเนี่ยจะสอนในข้าวท้องกอไก่กอไก่หนึ่งสองสามแต่ว่ากดว่าเขายังเด็กเกินไปอ่ะเราก็จะยัดเยียดความรู้ของเราให้มันทันอกทันใจหน่อยก็จะได้เก่งถ้าเทียบกับเด็กด้วยกันจะได้เหมือนกับไบร์มากเขาท่องไม่ได้เราก็ไปตีเขาอย่างเงี้ยมันก็ลืมไปแล้วล่ะพอมาบวชมาฝึกมาหัดเคลื่อนมือสร้างยขวามันปี๊ดขึ้นมาเลยนะภาพเน้ยมโพมันพผดขึ้นมา เราเมันมีภาพแบบนี้ไปตีเข้อาเงี้ยโอ้มันขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะน่าขอโทษมากเน้เราก็ไม่ถูกทําไม่ถูกมาก่อนนึกว่าถูกเลยหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตนะอีกเหตุการณ์หนึ่งมันก็โผล่มาคืออยู่ๆเคยเอาไม้ไปตีมาหาตายคามือคือมีอาเขาเขาด่าเราอะก็หาว่าเราอยู่บ้านไม่เฝ้าบ้าน ไปทํางานจชาวทานเชินเรียนมัธยมเสร็จแล้วก็กลับบ้านอ่าก็ยังอยู่ที่ทํางานเรากลับบ้านแล้วะกันนี้มันมีหมาไปกัดทัพแววบางเอาเสื้อหนาวราคาแพงๆมากัดเล่นอ่าเขามา ก, ก, ก็ด่าเราเลยเราก็เห็นแล้วว่าเออหมามันกัดตั้งแต่ก่อนมาแล้วเราก็ไม่ได้เก็บให้หรอกเพราะว่ามันกัดอย่างงั้นจะให้ดูซากหมาที่เลี้ยงไว้มันกัดปรากฏว่าก็ด่าเราด่าเราทุกวันน่ะ มันก็เข้าไปในใจเก็บกดนะแล้วก็ไม่พูดผู้มีพระคุณแล้วก็นิ่งเฉยกลับมาวันหนึ่งมอนกัดให้เราเห็นคาหนังคาเขาเลยอย่างเงี้ยก็ฟ้าไม้แป ต, ตีตุกตุกตุกตายคาที่แล้วก็ลาไปฝังแบบเลือดเย็นภาพอย่างเงี้ยโผล่ ม, มาอันนี้ก็หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของจิตสำนึกจิตใต้สำนึกที่พูดไปเมื่อวานเวลาฝึกกรรมฐานรับรองได้มันพอมาทุกตัวเลย ประสบการณ์ในชีวิตของเราทั้งหมดนะเพราะนั้นให้แยบคายดีๆนะเดี๋ยวนี้จะปล่อยปฏิบัตินะีให้ปลี่วิเวกอยู่คนเดียวแล้วลองดูนะภาพเหล่านะี้มันจะเป็นสิ่งสโปรกเกิดขึ้นมาให้เราได้ชําระล้างนะเราจะรู้สึกเลยเออมันจะเบาเนื้อเบาตัวเมื่อเรามีจิตสํานึกแล้วก็ออกมารู้สึกตัวออกมาจากความคิดนะตัวนี้เราเป็นการชดใช้กรรมแนละนะเป็นการใช้กรรมและเป็นการใช้กรรมที่ดีที่สุดนะพอเราเจตนาชดใช้จริงๆ ความคิดทุกความคิดเป็นละนาของวิบากแล้วก็ผุดโผล่ขึ้นมามีมากเท่าไหร่ก็โปมามากๆเท่านั้นนะเคยทำอะไรที่ผิดผิ ด, ผ, ดผิดถูกถูกถกันไว้ทั้งกามทั้งปยาบาทจารพัดเพราะนั้นเราก็จะต้องไม่เหมือนกับว่าจำนนต่ออารมณ์ที่เป็นเกิดขึ้นมาทั้งวันความขี้เกียจพาหยุดความขยันพาทำเราก็จะทําของเราเองไปเรื่อยๆ วินาทีหนึ่งเราก็รู้ทั้งครั้งหนึ่งนะเราก็จะทําอะไรก็ตามจะไปห้องน้ําจะไปรับประทานอาหารเราจะจับความรู้สึกตัวไว้ให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้เรารู้จักประมาณในการกระทําในการนั่งการเดินการยืนการนอนในการรับประทานอาหารรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอดีในโลกนี้ทําอะไรแต่พอดีมันดีทั้งหมดถ้าทำอะไร มากไปน้อยไปนะมันก็จะไม่พอดนะีมันก็จะเกิดความทุกขนะ์เพราะนั้นเองความพอดีมันอยู่ตรงไหนก็ตังเกตเอากันแล้วกันแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันไอจังหวะช้าจังหวะเร็วก็เหมือนกันนะมันจะช้าแค่ไหนจะเร็วแค่ไหนก็แต่ละคนแต่ละคนก็หาความพอดีของตนของตนไปนะไม่ถูกไม่ผิดนะมันจะเป็นประสบการณ์นะที่จะสอนเราให้เราเดินทางสู่การพ้นทุกข์ต่อไปไง น, นะให้เราได้เหมือนกับว่า ทำความเพียรให้มากๆขยันเข้าไวนะ้แล้วก็รู้สึกตัวให้ตรงๆเกินไหวรู้สึกตัวเจตนากำหนดรู้ตรงนี้ให้ตรงๆนะการปฏิบัติครั้งนี้เราจะผ่านพ้นไปด้วยดนะีทุกคนก็จะมีเหมือนกับว่าพัฒนาการนะครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสสอนจิตสอนใจของเรานะเราก็จะได้หลักของชีวิตไม่มากก็น้อยละนะแต่ว่าสามวันเราแค่เพียงแค่ว่ามา รับรู้ข้อมูลแล้วก็ฝึกขัดเบื้องตน้นแต่อาจจะมีบางคนบางท่านนะมันเหมือนกับมีอุปนิสัยมามันก็จะไวแล้วเหมือนกับหลวงปู่เทียนนะท่านแค่24ชั่วโมงท่านเข้าใจทั้งระบบเลยอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเนี้ย น, นะท่านเข้าใจเลยของเราเข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็เข้าใจตามสมควรแก่การปฏิบัติหลวงปู่เทียนเองท่านบ่มเพาะบารมีมาพอสมควร ทำบุญทำทานารักษาศีลเป็นผู้นําคนนะแล้วก็เป็นคนที่มีความสําเร็จมาเป็นข้าบาดีนะเป็นพ่อค้าแล้วก็มีเรือกลไฟอย่างนี้ค้าขายไทยลาวจนตั้งมั่งคัง่งไทยสุดเมื่อเป็นข้าบาดีนะแล้วเกิดความโกรธึ้นมาสังเกตได้ว่าเอ๊ะเราทําบุญทําทานมันยังมีความโกรธอยู่เียก็อยากจะให้สิ่งเนี้มันหายไปจากตัว มันโกรธทีไรมันกระทุกข์ะนะมันร้อนรุ่มอย่าให้มันเย็นเย็นท่านก็หันมาเจริญสติไปครั้งแรกท่านก็นั่งนั่งลุกๆอยู่ะเคยได้ยินได้ฟังจากสื่อแล้วก็หลวงพ่อเย็นท่านเค ย, ยไลฟ์ฟังท่านไปครั้งแรกเหมือนพวกเราทุกคนนั่นแหะมันเบื่อมันง่วงเสร็จแล้วท่านก็เอไปนอนดีกว่าพอไปถึงทำท่านอนท่านก็คิดว่าเออเรามาไปฏิบัติธรรมนะ เราตั้งใจที่จะมาฝึกหัดปฏิบัติ ธ, ธรรมน่มันมานอนนะอ่ะอาลุกขึ้นพอลุกขึ้นไปไปเดินไปปฏิบัติมันก็ง่วงอีกอะมานอนอีกมันก็ปวดลุกปุดนั่งอยู่แล้วนะ่ะจนกระทั่งเหมือนกับว่าเอ๊ะมันบ้าแล้วมั้งเนี่ยท่านด่าตัวเองสงสัยมันจะบ้าแล้วมั้งเนี่ยอา้าวจะนอนก็นอนซะแล้วเดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาเนี่ยไปปฏิบัติให้เต็มที่ไม่ต้องนอนแล้ว น, ะน่ะท่านก็บอกเลยอย่างนั้น หลังจากนั้นท่านปฏิบัติท่านก็เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นมาอาการแยกรูปแยกนามมันเกิดขึ้นไหหลังจากนั้นอารมณิปัสโนมก็เกิดขึ้นมาท่านไปอาบน้ําตอนเย็นก็ปรากฏว่ามันก็หลุดออกจากอารมณ์ิปัสโนองนี้นะแล้วท่านก็ปฏิบัติล่วงช้าท่านก็เห็นความคิดของท่านถ้ามีความรู้สึกว่าความคิดมันผลักด้านหลังเราลองสังเกต น, นะความคิดเนี่ยเมื่อคืนนอนนะบางคนบางท่านอาจจะเห็นแล้วแหละ แต่ไม่ร่วมคืออะไรเคยมีอาการแบบนี้ไหมหลังจากที่เราง่วงนอนแล้ววางตัวลงนอนหรือว่าถึงเวลานอนแล้วก็วางตัวลงนอนวางไม้วางมือวางแข้งวางขายเสร็จแล้วมันจะหวิวหวิวจิตมันจะหวิวหวิวตกผวางขณะที่หวิวหวิวตกผวางมันมีความคิดเกิดขึ้นมาพอมเกิดขึ้น ม, มันจะกระตกทั้งตัวเลยเกิดไหมขากระตกแขนกระตุกเคยดไหม ใครเคยยกมือสิ เ, อเยอะนะนั่นแหละก็คือความคิดนั่นเองดูดีๆมันเป็นอาการที่จิตทันทีมันจะไหลไปตกระวางมันฉันแลบออกไปความคิดเหมือนเวลาเราได้ยินเสียงแล้วตกใจเนะมื่อวานมีคนนึงนั่งเคลิมเคลิมเลิม ๆ, ๆพออาตจจมาเรียกโยมเขาตกใจสะดุ้งขึ้นมานั่นแนหะก็คือละนะักษณะของความคิดนะที่เวลามันมีอาการ หรือว่ามีแลกวนะของอารมณ์มากระทบจิตมันจะพุ่งพรวดออกไปจากจุดที่มันอยู่นะมันรุนแรงมากเลยนะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนะี่ยตัวเนะี้ยพอจิตมันเข้าสมดุลเนะี่ยมันจะมีอาการที่สติเป็นเกราะป้องกันเวลาอารมณ์มากระทบจะไม่ตกใจไม่สะดุง้งไม่วหวั่นภาวะไม่รู้สึกเสียวสนหลังไม่รู้สึก ความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นมาแต่ละขนาแต่ละขนาดจากอารมณ์ที่มากระทบมันจะไม่มีหรอกมันจะเป็นลักษณะของธรรมชาติเฉยๆที่ต่างคนต่างอยู่จิตมันก็อยู่ในตำแหน่งที่พอหมาพอดีคือความเป็นปกตินะอาการต่างๆสมมติบัญญัติต่างๆมันก็เป็นแค่อาการของมันเฉยๆเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของธรรมชาติตัวนี้หลังจะเป็นเรื่องที่นะักบวชทำจะได้สัมผัส แล้วก็มีอะไรอีกมากมายเหลือเกินแต่ว่าเราสรุปให้มันน้อยลงหรือแค่ตัวรู้กับตัวหลงก็พอหลงพ่อกาเขียนท่านสรุปแค่ว่ารู้รู้แล้วเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเรียกว่าเรารู้สึกตัวภาวะผู้ดูดูและเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นมันจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมา เป็นสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริงอย่างนี้นะแล้วก็พูดให้ฟังโดยลักษณะของอารมณ์ปฏิบัติโดยสังเขปและเดี๋ยวเราก็ลงมือปฏิบัติกันไปมันเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ลองดูกันแล้วกันนะก็ขอให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจเวิบัติกันต่อไปก็ขอให้การปฏิบัติธรรมของรทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์โดยตัวนักกันทุกท่านทุกคนเทอา